เป่าหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่33ม้าหาแนเดอจำบทัได้อน้องจะเฝ้ารออ้ทรหาเวลาอันตรายที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายช่างมากมายซสจริงๆแม้แต่การใช้โทรศัพท์มือถือก็เสี่ยงกับเด็กในท้องได้ องค์กรติดตามตรวจสอบการแพร่กระจายรังสีของรัสเซียพบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือขณะตั้งคันเพียงวันละ 2-3 ถึงครั้งมีแนวโน้มทำให้ลูกที่คลอดออกมามีปัญหาพฤติกรรมเช่นสมาธิสั้นหรือปัญหาทางอารมณ์ซึ่งนับว่าอันตรายไม่น้อยไปกว่าการสูบบุหรี่หรือกินเหล้าระหว่างตั้งคันสักเท่าใดเลยทุกวันนี้เรารู้ว่าคนรุ่นใหม่เป็นโรคจิตกันมาก แต่ที่ไม่ค่อยรู้ชัดนักคืออะไรบ้างที่เป็นต้นต่อของปัญหาข่าวหน้ากลุ่มชิ้นนี้อาจทำให้หลายคนอึง้งและนึกไม่ถึงว่าแค่ยังไม่เกิดมาคนเราก็ถูกติดตั้งพิษทางอารมณ์ไว้รอเวลาระเบิดกันแล้วและที่น่าเสียใจคือมารดาทั้งหลายนี่เองอาจเป็นต้นต่อปัญหาทางจิตของลูกรักเพียงด้วยการคุยผ่านมือถือขณะตั้งท้อง เดียเ๋ยวนี้ใครๆก็ต้องคุยจากระยะไกลกันทั้งวันโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องทำงานนอกบ้านโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือมีอยู่น้อยมากแล้วแต่ละครั้งที่ใช้จะให้ควบคุมเวลาว่าต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ก็ยากอยู่เนื่องจากบางสายหมายถึงเรื่องคอขาดบาดตายทางธุรกิจรีบรีเร่งๆคุยให้เสร็จนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่รายงานการวิจัยของชาวรัสเซียชิ้นนี้ไม่เป็นที่ฮือหาเท่าไรก็เพราะคนเราไม่ต้องการทิ้งค่าท่าสารพัดประโยชน์ไปอย่างไม่มีอะไรมาทดแทนได้และเพื่อให้สบายใจกันขึ้นมาหน่อยนะครับหลักฐานสำคัญของงานวิจัยนี้ก็มีเพียงตัวเลขทางสถิติกล่าวคือกลุ่มตัวอย่างหญิงที่ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างตั้งคันภนึ่0คนมี5เปอร์เซรายงานว่า ลูกมีปัญหาสมาธิสั้นและปัญหาทางอารมณ์แต่ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ารังสีมือถือไปรบ ก, กวนทารกน้อยเนื่องจากรังสีมือถือทะลุทะลวงเข้าสู่ผิวหนังได้แค่ 1-2 เซนติเมตรซึ่งไม่อาจวิ่งทะลุหูมาถึงท้องแน่ๆจะมีก็แค่ผลข้างเคียงเช่นรังสีมือถืออาจส่งผลต่อระดับเมลาโทนินหรือฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับ ซึ่งแม่ถ่ายทอดผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ได้พวกเรากำลังอยู่ท่ามกลางสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยที่ธรรมชาติไม่ได้ให้มาแล้วเราก็รู้เฉพาะประโยชน์ที่เราตั้งใจให้มีขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆแต่เกือบไม่รู้หรือนึกไม่ถึงว่าของแถมอันเป็นโทษที่ตามมาคืออะไรบ้างแม้จะศึกษาวิจัยก็หาใช่เรื่องง่าย ไหนจะต้องอาศัยตัวอย่างกลุ่มคนจํานวนมากๆไหนจะต้องใช้เวลายาวๆไหนจะต้องใช้เทคนิควิธีดีๆมนุษย์เราถนัดก่อปัญหามากกว่าแก้ปัญหาและที่ยากกว่านั้นคือเมื่อแก้ปัญหาหนึ่งได้ก็ไม่รู้อีกว่าวิธีแก้ปัญหาจะกลายเป็นต้นต่อของอันตรายใหม่ๆหรือเปล่าอีกด้วยความไม่รู้ของมนุษย์ พามนุษย์ไปสู่ที่สว่างบ้างที่มืดบ้างและด้วยความไม่รู้ของมนุษย์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาก็พามนุษยาชาติก้าวล่วงมาถึงพรมแดนหนึ่งที่ฉาบผิวนอกไว้ด้วยภาพคล้ายสวรรค์แต่ภายในกลับระอุเร้าอยู่ด้วยความร้อนดุดนรกแม้แต่สิ่งที่ดูเป็นมิดที่สุดเหมือนข่าทาตุผู้ซื่อสัตย์ที่สุดไม่น่าระแวงอย่างที่สุดดังเช่นโทรศัพท์มือถือ ก็อาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือแปลพฤติกรรมมนุษย์ดีๆให้กลายเป็นสัตว์ร้ายทีละน้อยสิ่งที่พวกเรากำลังเห็นประจักษ์คือภาพของการเจริญขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วต้องกลับเสื่อมซามลงด้วยเหตุปัจจัยที่แฝงอยู่ในความเจริญนี่เองคุณเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเดียวไม่พอแน่นอนต้องเอาธรรมะไปเลี้ยงด้วยเพราะในโลกวันนี้ อยู่ดีๆก็เลวได้ด้วยสิ่งแวดล้อมอันแปลกพิลึกผิดธรรมชาติสารพัดท่องไว้นะครับแม้ลูกของคุณโตขึ้นมาดีๆมีใบหน้าใสๆแต่จิตใจพร้อมจะถูกหลุมดำในโลกดูดลงต่ำได้ตลอดเวลาคุณต้องใช้ธรรมะจุดดึงลูกๆไว้ตลอดเวลาเช่นกันที่สำคัญคือช่วยลูกแล้วก็อย่าลืมช่วยตัวเองด้วยละ่ะ คงจะมีสักวันคงเป็นวันที่ยิ่งใหญ่อยู่บนทางที่เธอคอยวันแต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ไม่ไกล ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่34ผิดไปแล้วอย่ามัวเศร้าโศกเสียใจสิ่ ง, ทงแท็กซี่คนดีเคยเก็บเงินได้3แสนคืนเจ้าของ<า>บรรดาลโทรษะก่อเหตุสลดฆ่าเมียตัวเองเพราะถูกขุดโคดด่าไวบ้างเพียงมากอย่างเท่านั้นที่ต้องแก้ไข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 กายใจนี้จะเป็นอัตภาพสุดท้ายของคุณขณะตายจะไม่หลงตายด้วยอุปาทานว่ามีคุณตายอีกต่อไ ป, ปอทบทความโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ห้าสิบเสียงอ่านโดยโจโชว่าครูสอนซังให้เธอจงระวังไม่พลังต่อไปผิดไปแล้วอย่ามวัวทับทมตัวเอง ทำบทเพลงแล้วําใจตัวเองได้ไหมผิดไปแล้ว